วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนสิบวันพระหน้าเนี่เป็นวันเดือนสิบเพนวันเดือนสิบเพนเป็นวันสําคัญทางพี่น้องชาวอีสานของเราคือวันเป็นเป็นวันเข้าฉลากฉลากขพัดตามถือตามประเพณีของภาคอีสานนะแล้วก็พร้อมกันก็เป็นวันพระใหญ่ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเข้าพรรษามากวันพระหน้านี่สองเดือนพอดีสองเดือนพอดีเข้าพรรษาสามเดือนแล้วก็เดือนวันพระหน้านี่ครบสองเดือนเพราะนั้นพวกเราเตรียมตรวจตาเช็คความพร้อมของเราด้วยว่าที่ผ่านมาเดือนสองเดือนน่ ที่จะถึงสองเดือนมีสิ่งไหนบ้างขาดตกบกพร่องค่ะพวกเราจะได้ทําให้บริบูรณ์หรือเต็มตื้นขึ้นนะไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับคนไม่ใช่นักการค้าไม่ใช่การทามาค้าขายอยู่เป็นวันๆไปอันนั้นแปลว่าอยู่แบบชังกระายนะภาษาบ้านเราก็อยู่แบบชังกระาย แต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยความเตรียมพร้อมเราต้องเช็คว่าขาดทุนกำไรอย่างไรในการดำเนินกิจการของเราอันนี้ก็เหมือนกันในการดำเนินกิจการทางด้านจิตใจของเราเราขาดเหลือขาดตกมากน้อยแค่ไหนหรือเราปล่อยจิตปล่อยใจมากเกินไปที่ผ่า น, านมารานให้พวกเราตรวจเช็กดูนะ มันจึงจะรู้ได้จะรู้ได้ขาดทุนกำไรนะแต่ถ้าพวกเราไม่เช็ค ด, ดูแล้วไม่รู้จักขาดทุนกำไรน ะ, ะต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิตตมาสีลังวิโสทะเยนะงพออที่บอกยังให้ฟังเป็นแนวความคิดสักน้อยมันมีเป็นวันเป็นวันพระเป็นวันสาคัญ ในพันสาของพวกเฮาในพันสาเนี่ยก็ถือว่าวันผ่าแปดคำสิผ่าคำออกตนญาติโยมศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิงอืผูมองไกล ถ, ถ้าจะพูดจะหนีกระบวนหนาจะพิษนะผูมองไกลคั้นผูมองไกลกระบวนคิดอีหยังว่ทําไปขั้นผูม่องไกลคือคือมองอนาคตของเจ้าของ เฮ้าก็จะต้องเตรียมพร้อมจังซีหละถึงวันพระมาวันการงานเขาก็เหตุมาต้งมัดไออข่ไขๆก็ว่าทำงานอยู่ตลอดในเมื่อถึงวันพระแปดคำสิหาคำเฮ้าก็ควรจะงดซะเพื่อหาอาหารเขาซูท่างจิตใจส่วน ออกนั่นเท่าก็มีแต่การสาะแสวงหาสับ์ซมากกว่าสําหรับเป็นคราวาตหยายิโน้มย่ามกลางคลืนมากเท่าอุบัติเหตุการเหตุงานเท่ามานอนเท่าก็มากคุณคิดย่ามกลางวันเท่ากับออกทําการทํางาน เ, เานี่ยพลันโบรานเพิน่นงจัดว่ากลางคลืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคลืนเป็นวันก็คือกลางคลืนเป็นควันก็คืออย่างคือคุณคิด ว่ามืออื่นนี่ขาดจะเห็ุอย่างมือต่อไปจะเหตุอย่างว่างแผลดการงานคนคิดยังในใจเนี่ยมาขึ้นวันไปเพรเห็ุบ่าใดมันหมืดมันคํามันบ่อใจเวลาที่จะเหตุงานที่พจะคุ้นคิดพลอยนั้นปันว่ากลางขึ้นเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางวันออกมานเขาก็บในทําการทํางานอย่างที่พวกเข้าทางเหตุมาเนี่ยนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตาม การทําการทํางานของเฮาผมมีที่สิ้นสุดขึ้นกันเว้นเสียจากผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เพ็ดเพไาะใดอะไรก็เศร้าจะซื้อคนออกไปคณะว่ายังมีเหื่อมีแหงอยู่เฮาก็ต้องคิดเฮาก็ต้องเฮ็ดนี่นาะงานในโลกนี่ผมมีที่สิ้นสุดคนไปคนก่อนที่ตายไปก่อนผัวเข้านับหน่อยนับพันนับมืันนับแสนนับเป็นล้านๆไปที่ตายไปก่อนผัวเข้าเพลินก็เฮ็ดที่เคลื่อนกับเฮาเนี่ยเฮาก็ขึ้นเฮ็ดต่อไปไพ่พักหนาขึ้นกัน เพื่อจะหาสสแสวงหาศัพย์มาเลี้ยงฉีบมาเลี้ยงชีวิตของพวกเข้าเพื่อให้พวกเขายูได้ร่างกายสังขารยูได้ต่างคนก็ค้นหาพ่อประมาณกับอีกทานองแต่บางคนก็หาโลภจนเกินไปคำว่าโลภคำนี้ก็คืออย่างเห็นของคนอื่นเขาหามาได้ตัวเองก็ไปรักไปขโมยไปชกไปเบียดไปบังอันนี้เป็นว่าความโลภนะความโลภอยู่ในคนของคนนั้น คันว่าหาโดยนำพักนำแรงเสา ะ, ะแสวงหาด้วยกำลังบั้งชาของเฮ้าพอทรัพย์สมบัติในโล ก, กอันนี้ว่างยศฐาบรรดาศักดิ์ลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ในโลกนี่บ่ได้เป็นเพื่อไผ่กันเพื่อพวกเฮ้าทุกคนแต่ขันผัวดมีปัญญาผู้นั่นกระยอมหายศฐาบรรดาศักดิ์หาลาบยศสรรเสริญสุขได้ง่ายขันผัวดา่าโ ง, ง่เงาเต้าตุนเออแล้วก็บ่ได้กันไป มันก็มีตามขันตอนอย่างพวกเล่าเห็นพวกเข้าเห็นเห็นในโลกนี่แหละขันบัญญาไปมากก็คือมากไปแต่ตามไม่จริงกับพวกเขาก็เห็นอยู่แล้วผู้ใดมีปัญญาแต่บางคนมีปัญญาอมีสติปัญญาเสียบแหลมทั้งทีจะไปได้ไกลอยู่แต่ว่าบุญเก่าของเขาบ่มีตั้งทีก็มีวัไปมันต้องอาศัยกันทั้งสองอย่างขันว่าคนมีบุญเก่าอยู่เบื้องหลังในพบอดีตชาติเกื้อคุนนุนวันไป มันถูกจังหวะไปเองเพราะว่าคนมีบุญคนมีบุญนี่เหตุนีงมันถูกจังหวะมันถูกการเวลาไปหาใช้มากระเขากรบล็อกมันออกไปมันก็เลยกระโดดไปได้ขณะว่าคนมีบุญทั้งที่วิ่งเต้นค้นควายในการหาสอบแสวงหาทรัพย์ด้วยความมันขยันกองเฮาแต่ไปก็ไปถูกเอมองที่มันจะหายันนาซะมองที่มันจะอันตรายซะออทั้งที่ทั้งที่เขาปลูก เขาปลูกน้ำใส่ทงหน้ามันมองกว้างๆพอเข้าไปเห็ดมันปนน้ำท่วมซะบ้านี้เอาละปีนี้มันน้ำท่วมปีนาคายจะไปปลูกใทรโน่นเพราะมันน้าท่วมเอาไปมาไปปลูกไสรโน่นโน่นฝนพะทอกซะบาานเลยเขาเห็ดนี่หน้าตําหน้าลุ่มบัดได้เข่าเอีกเลยไปเป็นยังไงล่ะพราเหตุใดก็เพราะว่าบุญกุศลของเขานันมองเรเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งลึกๆเป็นการพักดันออกมาทางทั้งบา ร, รมีของพวกเฮาบุญกุศลของพวกเฮาเพราะนั้นเพิันว่าจึงให้สังสมบุญกุศลเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจของเฮาอย่างมือหนีพวกเฮาหยัดโน้มทั้งหลายถิมากวัดมาว่ามาไหวพระสัมมาทานสีเนี่ยเพื่อส่งเสริมบา ร, รมีบุญยราศีเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจของพวกเฮาให้พวกเฮามีบุญมีกุศลไปณสถานที่ใดทินใด ก็มีแต่ความเจริญงอกงามไพ่บุญต่ทานว่าพวกเข้าบ่มีบุญหมีกุศลในจิตในใจแล่ะไปไสกะบเฮ็ดยังกะบกขืนบกเกินอบ่เจริญ ง, งอกเงยเท่าที่ค้วนเพราะนั่นบุญกุศลตัวนี้แหละในรักของพระพุทธศาสนาโบลาโบล้านพ่อแมยปูยาตายง่ายของพวกเข้าจึงไหวเฮ็ดยังให้ทำบุญดเด้อบุญเป็นเครื่องอําเกลือกูลหนุน ให้พวกเข้าระซบความสุขความเย็นใจเพราะบุญหาเงินหาข้ามทรัพสมบัติได้แล้วหายศธฐานบรรดาลทรัพ์ดได้แล้วหาสิง่งหาของได้แล้วมดทุกสิ่งทุกอย่างหนาจะเพียงพ่อก็ะย่งบ่ท่านพ่อก็ต้องหาบุญอีกคนออกไปหาบุญเสริมเขาไปอีกบุญแต่มองบ่เห็นด้วยตาเนื่อแต่จิตใจสัมผัสได้บุญคือความสงบรลุบเย็นล่มเย็นเป็นทุขทั้งดันจิตใจอันนั้นเพราะว่าบุญเพราะนั้นพวกเข้า ห ย, ดยาดนมทั้งหลายเขามา่าบุญเนี่กันนี่แหละการสืบเนื่องมาตั้งแต่โบลำโบรันถือเป็นประเภทนี่กันมากแห่พวกเข้าติยู่เบื้องล่างเอาเชื่อในพ่อแม่คูบาอาจารย์เชื่อในปู่ในยาตายง่ายของเขา้าเพิ่นเห็ดยังมากเข้าก็ต้องเลี้ยนตามเพิ่นเป็นผู้สังเกตเป็นผู้เลี้ยนตามเพิ่นคันเียนตามเพิ่นหนึงทีแหละแห่ความสงบลมเย็นก็เป็นสุข์เนี่ยไหนบ่ดี เข้าก็ได้ใส่ปัญญาคือกันปัญญาคือความรอบขอบปัญญาคือความรอบรู้ปัญญาคือการใครค่ข่วนไตรตรองด้วยเหตุโดยผลไปใสก็สังเกตไปใสก็เห็นเบิง้งขันจกของตกทุกข์แต่ยากจังไดเออมันเป็นอย่างไรก็ไปเบิ้งกับสังเกตไปเบิง้งเห็ุอีหยังมากอให้เบิง้งให้สังเกตค่านว่าจิตใจของเข้าเป็นอย่งซี่มันเป็นอย่างไรกับเบิง้งผู้อื่นเขามาอีกเปรียบเทียบอีกเนี่ยแหละ แฮมยังเถ่าหนึ่งไปกินเลียงวันโน้ไปไปกินเลียงแต่งงานเถ่าปรมน้ำไล่วันโนไปทมน้ำไล่ทมน้ำหมากกันนะปลาดีแบบบ้านเขามันมี่เห่ามีลูกกง๋ง น, นะมันบอกว่เป็นลูกก๋งแบบลูกก๋งเห่าน่ะลูกก๋งแบบเป็นขันหนึ่งสีนะแหมลูกก๋งเป็นขันบลาดีเถ่าจะกินทมทเกี่ยวหมากปากเปรี้ยวสะกินเขา่าเกี่ยวหมากก่อนอยู่ตัว เพราะเกี่ยวหมากแล้วบาดนี้ผู้เท่ากับจีทมนลาไร่มันออกไปจีทมพูดบึ่งถึงปฏิจจทุกข์อะไรมนออกไปเลิกเอาหัวป้อนเข้าไปสอดเข้าไปทั้งคางสอดเข้าไปเขาไปทมนําลาไร่มันออกไปพราะทมําไร่บาดนี้ที่ถอนข้อออกมาปวดถอนบไาดมันข้างซีดเด้วยบาดเนี้เออก้าวมากออกมากพได้ไปเออถอดมากก็ถอดมากพได้บาดนี้เขาก็เอาเข่าเอายังมาเลี่ยงกันนะ อา้าวลงมาเนกินเขาอือเดี๋ยวกูเขี่ยวหมากกรันพนพัะที่แท่มันพนององหัวออกจากปองบรัยว่ะโนไปอว่านีไกัเอาลงมามากินเขาแหมบอกยังกูยังเขี่ยวหมากกรันจืดพนพัอที่แท่มันพนข้พมันข่ขานข่าลูกกงข้าลูกกงข้าวงงาวนไปเอจนเขากินเขาจงเกือบฉิเหล้วเพนผู้เฒ่ายังกูจะออกกันไหนกันกูบอกว่ากู หัวกู่าน่เออเาลูกกงมาสคือสิค้ายหนาข้ายตากูโผล่มานกูปิเสธยังได้มาสินข้นแล้วขึ้นอีกบานในทาก็เลี้ยวไปไปเห็นงัวตัวในงูเไปไปหาไปกินงูวตัวนมันกินมันกินหยาเลยไเวลามันทิกิมันก็แข้งตางขางพอไปก็ไปกินหยาเนพอกินหยาบเจ๊ดแล้วมาทมสิถอดขึ้นมามันก็แข้งหัวก่อนมกูค่อยแข้งหัวบวกเล่ามัน เขาก็เลยแข้งหัวออกมาไล่ออกมาได้โอ้ไปโอ้แต่แตๆแต่ายเ่นเด็กกักูบบเห็นงัวเป็นตัวอย่างนี่มันกูฆ่าจนหิบขายขีนากูแทวๆเอาท่านนี่ขนาดไปอังสันก็ยังก็ยังเอางัวเป็นตัวอย่างก็ยังได้อันนี้คือการการสร้างคุณงามความดีของพวกเฮ้าเฮ้าก็ต้องมีตัวอย่างตัวพอแม่ปูยาตายง่ายผ้าเฮ็ดจังไหนอย่างนี้เป็นศีลเป็นถ้มเฮาก็เฮ็ดปฏิบัติตามเพลิน เออเดินตามผู้ไงปนว่ามีแต่ความสุขความเย็นใจ น, นั่นแหะขันอาว่าบ่าเดินตามบ่ไรเด้เนี่ยพบผันเ่าเออไปทมนมลำหมักข้อฆ่าดุกงมันอ่นเออจนเห็นง่วเป็นตัวอยา่างสะกวันยังคอยเอาข้อออกไรมันไปอันนี้ขึ้กันนะ อ, อ่ะอให้พวกเข้าทางไลนะ่น่อยังตัวอย่างหนึ่งขึ้กันนะ อ, อ่ะมันก็ต้องอาศัยปัญญาของขูข่คนหลายๆคนมันไป อ, อบางซีงบางอย่างเนี่ย เส้นผมบางผู้เขายังวาเด้เออมันต้องอาศัยขู่ข่นต้องไทยถามกันต้องซักถามกันอขั้นตกเจ้าของโบงหูเนี่ยก็ต้องถามว่นออกไปเอ่อกั้นถามขั้นถามซื่อๆบางเธอกระถามซื่อๆก็ต้องถามโง่โผดออกไปเอ่อก็ต้องถามมีเหลี่ยมเด้เออแต่บางคนกระถามซื่อๆกันก็ดีวันไปแสดงความคิดเห็น แต่ว่าตามไม่จริงคนมันบ่ย่อมเสียเปียบในจุดนี้แต่จุดนึงอีกคนองไปเออบ่ย่อมเสียเปรียบดันทุลังคนลงไปอ <c oughs> ทั้งที่ตัวเองพิษอยู่ทั้งที่มันพิษอยู่กับบ่ย่อมวันนีด้ดันทุรังคนไปเพื่อทิฏฐิมานะของเจ้าของอันนี้บอดีอยู่น่ะไปแต่บางคนก็พ่อตัวเองพิษถึงสี่กัจนปัญญาจนตรอกถึงสี่กัถามเข า, าไปไปยังไงไปยังไงอันนี้แปลว่าผู้มีปัญญาคือว่าเดินทางไปแล้ว กาวาสิหลงเลย ด, ด้ก็ถามเขาไปอันนี้แปลว่าดีแต่บางคนพอเป็นสั้นเนี่ยดันทุลังเป็นว่าไปยังว่าเป็นร้อยกิโลนะ่ะยังคอยลงมาถามเขาเสียทั้งน้ำหมกเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเวลาเ่าสรุปว่าคือความโง่ของเจ้าของเองึเพราะบ่ถามเขานะเพราะดันทุลังเพราะทิฏฐิมานะอันนี้บ่ดีวันเราไปผู้ใดมีในจิตในใจยังสีบด่ดีอันนี้คือกันการเขามาศึกษาธรรมะคือกัน เขามาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับผู้บาอาจารย์ขึ้นกันมี่ยังต้องถามต้องไถ่ต้องศึกษาพอห้าวบอท่านฮู้ห้าบอกคยเข้าใจในจุดนั้นๆห้าก็ต้องถามบางที่ห้าวจนตรอกจนมุ่เห้าก็ต้องถามเรื่องจี่สี่จะเหตุจังไรครูบาอาจารย์มูพวกเพื่อนผู้เขามีปัญญากว่าเขาก็จะสี่เนี่ี่น้าเท่าไรเอาไปยังเท่านึงเลยไปสาลกระตาใส้เข่า บานเหาก็เอิอนสารหินเนาะเอือสารไร่สองอะ น, นะเอาไม้เหี่ยว่า ก, กัสารหินแบบใหญ่เวลาปนใจเข่ามาเนาะไปเอนี่แหละตก๊กนาเขาขนาดนาเนี้แหละกลําลังทีเกี่ยวเนี่ยใกล้จะออกคันซาเนี่ยเตรียมหินสําหรับใส่เขา่าเนาะไปหินเนี่กับเหล่ามันคือกันเด้เหล่าเนี่ยนึ่งวันะเหล่านี่ยเป็นหลังวันไปหินเนี่ยใกล้ๆกับว่ามันเหลือจากเหล่ามาแล้วเนาะไป ป, ปีนี่กูคือจะได้เข่ า, าไหลคนวันเด้ เออมันก็จิตเหลือเล่าปีนี่กันที่เฮตุเล่าอีกเกิดมันกับจิตพ่อกระเทิรนมันบ่อม่นหลายทุกปีมันกุสิสารหืนเป็นวันเด้มันก็เลยหาใหม่ไลไอ้ใหม่เฮียม้าวมาไปมาซับซับซคือฝากเนี่ยตากแดดก็มันรอดมาสารไล่สองมันเอาไปพราสารสารมันก็บสานคนเดียวนะไปสารไปสารไปสารขึ้นสานขึ้นสานขึ้นมันบ่ได้หาตอกได้สาร สารไล่สองนะมีแต่ไปกัปืนไปกันปืนไปไปไปมากไปไปไปมากเลยไปพวกกูเถ้าจูงูจักมาเม้งสารไล่สองนาะไปสารหินเนาะไปเพราะสารคืนสารคืนบาดมันทวมหัวบาดนีพอมขาข้อี่ตายกูสิออกจังไดกูสิออกจากหินใดบาดเนี่ยกันกูสิปีนก็ปีนก็จะงายหลังลงนีกันเดี๋ยวกูสิค่าหักแขนักอีกกูก็เฮ็ดจังไดกูสิออกใดว่าเส้นเล่เาก็คือสารคืนมากเลย กูสีม่างออกอกูสิงโง่แท้ผัวเดี๋ยวผนอืมมาห้ม่างออกรข้าวหนากูกสิเห็ดจังไดนอีกก็เลยนี่พรามันห็นมันสางสารเหินเห็ดช่วที่ใส่เขา่ามอนไปใส่เขาเปือกบาดนะนี่เล็กน้อยเขาาเขามาหลนอยู่แถวนั้นมันไปเห็นเ็กน้อยมากเล็กน้อยผลว่าสู้ว่ากูสีออกจากเห็ด น, นี่ออกจากกระต่านี่สู้ว่าสิกูสิออกได้จังไหนอีกเว้ยมันหาถามพลุงมังน เจ้าก็ล่มออกไงมันก็ออกได้คนตัวสิเออเหมืนควงเขาไอ้สิป่านนี้ก็เลยได้ทางออกกันไปพ่อพ่อจ้านี่ก็เลยเนืองเนืองไอ้ให้มันหล่มหอบลงยังคอยข้านออกกนไปเน่เน่จึงสี่ละปัญญามันบาอยู่กับผู้ใดเด้เท่างอกหัวงอกหัวขาวก็ยังสูดเด็กหน่อยบ่อได้กันเอาไปเด็กน่อยเขาเนี่ยเขายังหูจักว่าวิธีหาทางออกนเอาเจ้าก็ล่มมันล่งหันเท่าก็บข้านออกมัไมค่อยยากเจ้าไปห้าถามเฮ้ คอยจะไปหางโง่ปั่นด <shared> ันเตียวปนวันเด็กน้อยวาวน่อไปเท่าถทั้งแาวมัดปัญญาแล้วทำไปสานขึ้นไปออกบ่อใดว่าน่อไปนี่ล่ะอันนี้ก็คือปัญญาไม่อยู่กับผู้นึงผู้ใดเจ้าของจนปัญญาจะต้องเอถามแต่บัถามเท่านี้ถามมีเหลี่ยมหมดเลอขั้นทีว่าฝูออกว่าไอ้สูอ่านกูจะออกสูอะไรไปหาไหม่มาไกล้กูได้เขากระสิโง่พอดว่าน่อยไปก็เลยถามแบบเลหลี่ยมหมดเไปเขาก็เลยบอกว่า เจ้าอย่ายากเนีเจ้าเนื่องลูกหามืนินพกตันงกระ่อมลูกหานมื่อก็เจ้าก็ย่างออกอตัวสันในขวาอเนี่ ย, อ, ยอันนี้คือกันท่านอ่ะสติปัญญาจะบริบูกับผู้หนึ่งผู้ใดแนวความคิดป่วยนั้นพึ่งยังอาศัยผู้มีปัญญาอย่างพุทธศาสนาของเฮาคืออาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามผู้รูแจงโลกก่นอนปณิสัสยามผู้รูแจ้งโลก เพิ่นเฮ็ดจังไดโอ้ oh, บรมธรรมดาศึกษาเพิ่นบัตรสังสมบัล ม, มีมากมากไม้มหาสา ร, รขนาดเป็นเจ้าฝ่ามหากษัตริย์ในชาตินี้วาไปครองราชมายี่สิบเก้าปีอายุมิตรสมบูรณ์บริบูรณ์มดทุกสิ่งทุกอย่างวันเราไปลาบยศชนะเชิญสุขบริบูรณ์มัทขนาดนั้นยังเสียสาระออกไปอยู่ในป่าเพื่อการศึกษาตัวนี้วันเราไปเพื่อการศึกษาพระสิเฮ็ดจังใดสิพ้นจากทุกประมาเกิดเบี้ยนไหวตายเกิด เฮ็ดจังใดข้นที่บอแกโบเจ็บโบตายนีย่วิธีการเฮ็ดจังไดเพราะนั้นเพิ่งไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีโยนออกไปไปทดสอบไปทดลองอย่อางจนวันเดือนหกแผ่น น, นี่นะจึงได้ตัดสู่ทำจึงได้นำพระธรรมคั้สังสอนมาแนะนำพวกเขานี่นนเอหนทางที่จะพอมากเกิดแกเจ็บตายมีท่านเนอะมีศีลเนอนะมีภาวนาเนอะชาระจิตทําละใจเนอะออกพุทธบริษัทเนอะ ขันโรเหตุังสี่มิถะความจะเลื่อนงอกงามอตัดกิเลสลากะโทษสะโมหะเมอดออกจา ก, กจิตใจจะเป็นพระรหันผลทุกนายวัฏสงสารว่าม้มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตาการ พ, พระโพธิเจ้าพจนสอนพวกเข้าไปนั้นพวกเข้าทุกทันเอนออกตนญาติโนมต้องเสื่อผูกผลมีปัญญาฮเห็นบอดให้สังเกตไปยังให้สังเกตคือยังเท่าทมน้ํามัก ไปหัวสอดหัวสอดตูวกงอค่าข้างกับหัวเจ้าของออกผู้ใดจนเขากินเข่าเกือบ แ, แล้วเด็กเจ้าของยังค่อยไปเห็นง่วยังเป็นตัวอย่างฮะอแล้วก็นี่หะเมันเท่าสานหินมาทำไปสารตะกายไงใส่เขา่าก็ต้องถามปัญญาจากเด็กน่อยเด็กหน่อยบอกให้ผู้ถอยยังออกจากขีนใดมอันนี้คือกันนั่นอ่ะอปัญญาบ่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เข้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไอเสือพระพุทธเจ้า เสือพ่อแม่คู่บา่ายจาไใบเน่าจตดถึงคว่ำแดนแห่งความกเกษมอตอนนี้ไปรับพร้อมมาเนี่ยอนุโมทนา